คำว่าอนุปัสนาคือการยังเห็นเจ็ดประการกล่าวคือหนึ่งอนิจจานุปัสนาการยังเห็นความไม่เที่ยงสองทุกขานุปัสนาการยังเห็นทุกสามอนัตตานุปัสนาการยังเห็นความไม่ใช่ตัวตนสี่นิพพานุปัสนาการยังเห็นความเบื่อหน่ายห้า วิราคานุปัสนาการยังเห็นความคลายกำหนัด 6. นิโรธานุปัสนาการยังเห็นความดับเปฏินิสักานุปัสนาการยังเห็นความปล่อยวางเรื่องนี้จะปรากฏโดยพิสดารต่อไปในปริเชตที่7สรุปความว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาภาวนาเป็นขณะปัจจุบัน คือปัจจุบันในขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสันตติปัจจุบันคือปัจจุบันต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปไม่ใช่อัตตาปัจจุบันที่เป็นระยะการตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติแม้ในเรื่องรู้จิตของคนอื่นด้วยเจโตปริยญาณซึ่งคำพีอัตตกถากล่าวว่าเป็นอัตตาปัจจุบัน ก็มีได้หมายถึงอัตตาปัจจุบันตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติแต่หมายถึงปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆซึ่งกําหนดไม้ด้วยชวนาวาระหนึ่งดังข้อความว่าในอัตถกถาของสังยุตตนิกายกล่าวว่าส่วนอัตตาปัจจุบันพึงแสดงด้วยชวนาวาระคํานั้นท่านกล่าวไว้ดีแล้ว ความหมายก็คือส่วนอัตตาปัจจุบันพึงแสดงด้วยชาวณนะวาระมิใช่พึงแสดงด้วยระยะการที่เป็นปัจจุบันตลอดชีวิตอันหนึ่งแม้ในสติ ป, ปัฏฐานสูตรก็กล่าวถึงปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆดังข้อความที่ปรากฏในความเป็นปัจจุบันนการว่าเมื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุขอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุ ย่อมรู้ชัดถึงกามาฉันทะที่มีอยู่ภายในตนว่าการมาฉันทะมีอยู่แก่เราภายในตนจะเห็นว่าในเรื่องนี้มิได้ตรัสไว้โดยความเป็นอดีตหรืออนาคตว่าผู้ที่เดินแล้วย่อมรู้ชัดว่าเดินแล้วผู้ที่จักเดินย่อมรู้ชัดว่าจักเดินผู้ที่เสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้ว ผู้ที่จักเสวยเวทนาที่เป็นสุขย่อมรู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขย่อมรู้ชัดถึงกามฉันทะที่มีแล้วภายในตนว่ากามฉันทะมีแล้วแก่เราภายในตนย่อมรู้ชัดถึงกามฉันทะที่จักมีภายในตนว่ากามฉันทะจักมี แ, แก่เราภายในตนอย่างไรก็ตามมีข้อความบางอย่าง ในสติปฐานสูตรไม่ปรากฏความเป็นปัจจุบันการเช่นย่อมรู้ชัดในจิตที่มีราคาว่าเป็นจิตที่มีราคาข้อความดังกล่าวข้างต้นกล่าวไว้โดยระบุความเป็นปัจจุบันการในคำภีอธกถาดังนี้ว่าจิตใดๆย่อมเป็นไปในขณะใดๆภิสุกกำหนดจิตนั้นๆในขณะนั้นๆอยู่ชื่อว่าผู้ ตามรู้จิตในจิตของตนบ้างตามรู้จิตในจิตของผู้อื่นบ้างตามรู้จิตในจิตของตนในบางครั้งบางคราวบ้างตามรู้จิตในจิตของผู้อื่นในบางคราวบ้างตามข้อความที่กล่าวมานี้แล้วการกำหนดจิตที่กำลังเกิดขึ้นคือการตามรู้จิตนั่นเองดังนั้นการกำหนดจึงมีความหมายเหมือนกับการตามรู้ และการใส่ใจมีผู้ไม่ได้สังเกตข้อความในคำพีอัตถกถาข้างต้นแต่เห็นว่ามีการแสดงองค์ธรรมของจิตที่มีราคาเป็นต้นที่กล่าวไว้ในอัตถกถาจึงกล่าวว่าการกำหนดรู้จิตตานุปัสสนาก็คือการจําแนกองค์ธรรมของจิตว่าจิตที่มีราคาคือโลภะมูลจิต8ดดวง จิตที่ปราศจากราคะคือโลกิยะกุศ ล, ลจิตและอัพยากตะจิตความจริงพระอัตถกถาจารย์แสดงองค์ธรรมของจิตเหล่านั้นแล้วเปล่าถึงวิธีกําหนดจิตตานุปัสนาในภายหลังด้วยประโยคที่นํามาแสดงไว้ข้างตน้นนอกจากนี้การจําแนกองค์ธรรมของจิตก็ไม่ใช่การกําหนดรู้จิตในปัจจุบันอย่างแท้จริง เป็นเพียงนามบัญญัตคือบัญญัตแสดงชื่อและสังขยาบัญญัตคือบัญญัตแสดงจานวนแม้ในเรื่องการรู้จิตของผู้อื่นด้วยเจโตปริยญาณก็มีความในพระบาลีอธิกถาเหมือนจิตานุปัสนาถ้าการจำแนกองธรรมของจิตตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นถูกต้องผู้ที่จำแนกองธรรมได้ ก็นับว่าบรรลุเจโตปริยายาญาแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเพราะผู้บรรลุเจโตปริยายาญาต้องกำหนดรู้จิตของผู้อื่นอย่างแท้จริงดังนั้นการเจริญสติรู้เท่าทันจิตที่มีราคาเป็นต้นในปัจจุบันขณะจึงจัดเป็นจิตานุปัสสนาต่อไปจะได้กล่าวถึงการกำหนดรู้ขณะปัจจุบันก่อให้เกิด อุทธพยายานและพังคยานโดยประจักษ์ในปริเชตที่6ซึ่งว่าด้วยอุทธพยายานและพังคยานโดยอ้างอิงสาธกจากพระบาลีอัตถกถาและดีกาอันหนึ่งมีข้อความในคัมภี์ปฏิสัมพิธามักว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปอดีตรูปอนาคต รูปปัจจุบันรูปภายในรูปภายนอกรูปหยาบรูปละเอียดรูปสามรูปประนีดรูปไกลรูปใกล้นักปฏิบัติย่อมกำหนดรูปทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงข้อนี้เป็นสมมติยาณอย่างหนึ่งข้อความนี้กล่าวตามลำดับเทศนาที่ปรากฏในพระสูตรและพระอภิธรรม มิใช่มุ่งแสดงวิธีการเจริญวิปัสนาด้วยการกําหนดรู้รูปอดีตเป็นต้นความจริงแล้วสมมสนสาญาณที่กล่าวในที่นี้เป็นอนุมานวิปัสนาคือวิปัสนาโดยการอนุมานไม่ใช่ปัญจัคะวิปัสนาคือวิปัสนาโดยประจักษ์หมายความว่า การเจริญวิปั ส, สนาเป็นการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางทวารทั้งหกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษและสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปของสภาวะธรรมนั้นๆตามความเป็นจริงพึ่งสังเกตว่าลำดับที่ก่าวข้างต้นไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติก่าวคือ เมื่อรูปอดีตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกิดรูปปัจจุบันก่อนรูปอนาคตไม่ใช่เกิดรูปอนาคตก่อนรูปปัจจุบันถ้านักปฏิบัติกำหนดรูปอดีตแล้วกำหนดรูปอนาคตต่อจากรูปอดีตก็จะขาดการกำหนดรู้รูปปัจจุบันไปเช่นในขณะย่างเท้าขวาถ้านักปฏิบัติกำหนดรู้สภาวะย่างเท้าซ้ายที่จะเกิดขึ้นต่อไป แล้วจึงมากำหนดสภาวะย่างเท้าขวาก็จะไม่อาจรู้เท่าทันปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุทัพยาญาณและพังขยานได้ดังนั้นข้อความในคำพีปฏิสัมพิธามัทนี้จึงกล่าวตามลำดับเทสนาในพระสูตรและพระอภิธรรมเท่านั้นอันหนึ่งการรับรู้รูปทั้งหมดที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันเป็นต้นท่านกล่าวไว้โดยความเป็นอนุมานวิปัสนาคือวิปัสนาโดยการอนุมานทั้งนี้เพราะนักปฏิบัติไม่อาจรับรู้รูปดังกล่าวพร้อมกันในขณะเดียวอย่างชัดเจนได้อนุมานวิปัสนาเป็นฌานซึ่งปรากฏเมื่อปัจจคาวิปัสนาแก่กล้าแล้วโดยเกิดตามสมควรแก่การสดับและ ปัญญาบารมีที่สั่งสมไว้ในแต่ละบุคคลในคมภีปฏิสัมพิธามักและวิสุทธิมักจึงกล่าวถึงสัมมสาาัญาณที่เป็นทั้งปัจจค่ะวิปัสนาและอนุมานวิปัสนาไว้โดยพิสดารอนุมานวิปัสนาของสัมมสาาัญาณอาจเกิดขึ้นก่อนและหลังจากอุทพยญาณ และพังคยานอีกด้วยข้อนี้จะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปอนุมานวิปั ส, สนานั้นมิใช่การอย่างเห็นรูปนามทีละอย่างแต่เป็นการรับรู้รูปนามทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงเรียกว่ากาลาปสัมมสนะ คือการพิจารณาโดยกลุ่มนยยวิปัสนาคือการยังเห็นโดยในนยทัศนะคือการแสดงโดยในและนายามนสิกานคือการใส่ใจโดยในดังสาธุกในคำพีอัตถกถาว่าในข้อนั้นเมื่อรู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารอย่างหนึ่ง การใส่ใจโดยนายย่อมมีในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพระดารัสว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งปวงเป็นต้นกล่าวไว้โดยระบุถึงการแสดงโดยนายมิได้กล่าวไว้โดยความเป็นอารมณ์ในขณะเดียวกันปิสับในคำว่าเอกสังขารัสสปิ แม้ของสังขารอย่างหนึ่งทำหน้าที่คอรหาคือตำหนิหมายความว่าแม่รู้ความเห็นไม่เที่ยงของสังขารอย่างหนึ่งก็รู้เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการรู้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารหลายๆอย่างซึ่งยืนยันการรู้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงอย่างแน่นอน คำว่าอนิจจตายะทิฏฐายะเมื่อรู้ความไม่เที่ยงแสดงถึงการรู้เห็นโดยประจักษ์ด้วยปัจจักขะวิปัสนาคำว่าเอวะเสเสสุนยัโตมนาสิกาโรโหติการใส่ใจโดยในย่อมมีในสังขารที่เหลือว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง แสดงถึงการอนุมานรู้โดยอนุมานวิปัสนาคำว่านยโตทัศนังสันทายาอุตตังกล่าวไว้โดยระบุถึงการแสดงโดยในความหมายว่าพระดำรัสว่าสเพสังขาราอนิจจตาญะทาปัญญายะปัสติเมื่อใดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สัพเพสังขาราทุกขาติยะาปัญญายปัสติเมื่อได้ย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติยะาปัญญายปัสติเมื่อได้ย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนหมายถึงการรู้เห็นสังขารอยใดอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงโดยประจักษ์แล้ว อนุมานรู้สังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะเห็นได้ว่าอนุมานวิปัสนาไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องแรกของการปฏิบัติแต่จะเกิดเมื่อปัจจคาวิปัสสนามีกำลังแก่กล้าแล้วด้วยการรู้เห็นสังขารอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างว่าไม่เที่ยงโดยเกิดดับอย่างรวดเร็ว สมมสนะยานซึ่งเป็นวิปัสนาญาณที่สาอาจเป็นอนุมานวิปัสนาได้เหมือนกันไม่ใช่ญาณต้นที่จะพึงเจริญให้เกิดขึ้นก่อนญาณที่หนึ่งคือนามรูปริเฉชทญาณและญาณที่สองคือปัจจยะยปริคาหะญาณด้วยเหตุนี้การอ้านถึงสมมสนะญาณแล้ว กล่าวว่านักปฏิบัติควรกำหนดรูปรูปอดีตเป็นต้นจึงไม่สมควรการจเจริญวิปัสนาของสมถียานิกแต่นี้ไปจะกล่าวถึงวิธีจเจริญวิปัสนาภาวนาของสมถียานิกบุคคลก่อนแล้วจึงแสดงวิธีปฏิบัติสำหรับวิปัสสนาญานิกโดยพิสดารต่อไปโดยคล้อยตามมหาสติปฐานสูตร และพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในอังคุตระนิกายนวกะนิบาทกล่าวถึงการปฏิบัติของสมัทญานิกว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนาที่สงัดแล้วจากกรมคุณสงัดแล้วจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอย่อมอยังเห็นธรรมเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในขณะเกิดปฐมฌานนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนน้ำไม่ดีงามเหมือนโรคเหมือนสภาพอื่นแตกสลายว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนพระบาลีนี้แสดงว่าภิกษุผู้บรรลุปฐมฌานแล้ว ควรเข้าปฐมฌานก่อนจะเจริญวิปัสนาเพื่อให้ฌานเป็นบาตรเมื่อออกจากฌานแล้วจึงเจริญวิปัสนาต่อมาแม้การอย่างเห็นก็เป็นการกำหนดรู้ขันห้าซึ่งปรากฏในปฐมฌานนั้นผู้ที่บรรลุรูปฌานอื่นหรืออรูปฌานก็ควรปฏิบัติตามในนี้เช่นเดียวกันแม้ในพระบาลีอื่นก็จะกล่าวว่า ผู้บรรลุชานต้องเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานหลังจากนั้นจึงกำหนดรู้รูปนามที่ปรากฏในฌานนั้นๆโดยไม่มีพระบาลีที่กล่าวถึงการพิจารณารูปตามที่ได้ศึกษามาจากคำพีเลยบางท่านอ้างพระดำรัสว่าอานิจจโตจึงสำคัญว่าในที่นี้กล่าวถึงการอย่างเห็นความไม่เที่ยง เป็นต้นด้วยสัมมาสนญาณเป็นต้นไปดังนั้นจึงอาจพิจารณารูปนามด้วยนามรูปปริเฉทยานและปัจจะยปริฆะหะยาณข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะท่านกล่าวถึงสิ่งที่เป็นหลักสำคัญโดยตรงและรวมถึงสิ่งไม่สำคัญเข้าในข้อนี้อีกด้วยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในปริเชษ ท, ที่สองมีสาโทเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในคำพีวิสุทธิมักว่าการอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นผู้ปฏิบัติฝ่ายสมัฏญานิกต้องการให้สำเร็จทิฏฐิวิสุทธินั้นพึงกำหนดองค์ฌานที่มีวิตกเป็นต้นและธรรมมีภาษสัญญาเจตนาจิตเป็นต้น ที่ประกอบกับองค์ฌานนั้นโดยประเภทแห่งลักษณะและหน้าที่เป็นต้นเมื่อออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานคำว่าลักขณารสาทิวเสนะโดยประเภทแห่งลักษณะและหน้าที่เป็นต้นนั้นหมายความว่า การกำหนดรู้องค์ชาญและสัมปยุตธรรมคือจิตพร้อมด้วยเจตสิก ค, คือการกำหนดสภาวะลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษของธรรมนั้นๆและหน้าที่เป็นต้นมิใช่การรับรู้ชื่อรูปร่างสันฐานหรือจำนวนในคำพีดีกากล่าวว่าท่านยกเว้นเนวสัญญานาสัญญายาตนะไวา้เพราะ ผู้ที่เริ่มปฏิบัติไม่อาจกำหนดรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะได้เนื่องจากมีสัญญาละเอียดนอกจากนี้เหตุที่พระบาลีไม่ได้แสดงถึงการกำหนดรูปเมื่อออกจากฌานแล้วก็เพราะว่านามธรรมที่เป็นชานจิตตุบาทย่อมปรากฏชัดเจนแก่สมายานิก พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กำหนดรู้นามธรรมก่อนรูปธรรมแต่ถ้ารูปธรรมปรากฏชัดในบางขณะก็อาจกำหนดรูปธรรมได้เช่นกันเพราะพระบาลีข้างต้นเป็นสำนวนทางภาษาที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเยภุยนายหรือสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธานซึ่งเรียกว่าประธานานาย หรือเพราะปฏิบัติไม่อาจกำหนดรู้รูปธรรมและนามธรรมพร้อมกันได้จึงทรงละรูปธรรมไว้ในภาคนั้นแต่ได้ทรงแสดงการกำหนดรู้หัตทายรูปอันเป็นที่อาศัยของฌานในภาคต่อมาดังมีสาทกว่าการเจริญวิปัสสนาในนามธรรมย่อมมีแก่สมถยานิกเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยนามธรรมเป็นหลักย่อมกำหนดรู้องฌานคำว่าอารูปมุเขเคนะโดยมีนามธรรมเป็นหลักหมายความว่าเมื่อกำหนดรู้นามธรรมเป็นหลักแล้วแม้จะ ก, กำหนดรูปธรรมก็จัดว่ากำหนดรูปและนามทั้งสองอย่างได้โดยปริยายแม้วิปัสสนาญาณิกก็กำหนดรูป เป็นหลักที่จัดได้ว่ากำหนดรูปและนามทั้งสองโดยปริยายเช่นเดียวกันเพราะรูปนามมีลักษณะทั่วไปคือตลายลักษเหมือนกันดังมีสาทกว่าการเจริญวิปั ส, สนาในรูปธปรรมย่อมมีแก่วิปัสนาญาณิกเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่เจริญวิปั ส, สนาโดยรูปธรรมเป็นหลักซึ่งเรียกว่าผู้เพ่งลมหายใจ เข้าออกย่อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการเจริญอาณาปานะเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาบางคนสำคัญว่าการเจริญวิปัสนาต้องอาศัยสมถะเป็นบาทอย่างแน่นอน โดยต้องการบรรลุฌานก่อนแล้วจึงมาเจริญวิปัสสนาได้โดยอ้างข้อความในคำภีวิสุทธิมักที่กล่าวถึงการเจริญอานาปานะแบบสมถะและอ้างอิงสาธกจากพระบาลีว่าภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วย่อมกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองฌานความจริงแล้วข้อความข้างต้นกล่าวระบุถึงบุคคลผู้บรรลุฌาน ด้วยการเจริญอาณาปานสติแล้วเจริญวิปั ส, สนาด้วยการกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือองค์ฌานที่ไม่ได้มุ่งแสดงว่าไม่บรรลุฌานก็เจริญวิปั ส, สนาไม่ได้เพราะธรรมที่เป็นกามาวจรควรเป็นอารมณ์ของสมถียานิกและวิปัสสนายานิกทั้งสองจำพวกแต่บุคคลทั้งสองนี้มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เราคือสมถยานิกกาหนดรู้สันฐานยาวสั้นและลมหายใจเข้าออกซึ่งจัดเป็นบัญญัติส่วนวิปัสนาญาณิกกําหนดรู้สภาวะเคลื่อนไหวของลมหายใจที่กระทบจมูกซึ่งจัดเป็นโพธพารลมอันเป็นการกระทบระหว่างวายโยธาดกับปลายจมูกและริมฝีปากบน โดยผดทัพพารม์นับเข้าในธรรมานุปัสนามีสาธกในเรื่องนี้จากพระบาลีและอธกถาว่าดูกราภิกษุทั้งหลายท ถ, ถาคตกล่าวว่าลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปอย่างหนึ่งในกองรูปทั้งหลายหมายความตามที่เรากล่าวว่าเป็นกองรูปอย่างหนึ่งในกองรูปสี่กอง มีกองปฐวีธาตุเป็นต้นกล่าวคือเป็นกองวายโยธาต์อีกในหนึ่งกองรูป25ประการคือจกขายัตนะกะพระลีการหานชื่อว่ากองรูปในบรรดากองรูปเหล่านั้นลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปอย่างหนึ่งเพราะนับเข้าในโพัพายัตนะดังนั้นจึงตรัสไว้อย่างนี้ ท่านอธิบายว่าลมหายใจเข้าออกเป็นกองรูปคือวายโยธาดในธาตุทั้งสได้แก่ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาดหรือเป็นกองรูปวายโยธาดที่นับเข้าในโพธพายตนะในรูป25ประการมีจักขายตนะเป็นต้นรูป25ประการนี้ พบโดยตรงในคำภีธรรมสังคณีและกล่าวไว้ในอัตถกถาของมหาโคปารสูตรในมูลปัญ น, นาตและโคปารสูตรในอังคุตรนิกายแท้ที่จริงการตามรู้ลมหายใจเข้าออกกล่าวไว้ในมหาสติปฐานสูตรโดยเน้นวิปัสนาเป็นหลักจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงความเกิดดับของลมหายใจ และไม่ผูกพันด้วยตันหาทิฏฐิพร้อมทั้งการไม่ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกซึ่งเป็นวิสัยของวิปัสสนาอย่างเดียวแม้ในคำพีวิสุทธิมักก็กล่าวถึงวิปัสสนาในแห่งอนาปานะนี้ว่าส่วนในทางวิปัสสนากองลมอันเป็นไปในตอนที่ยังไม่ได้กําหนดและยังหยาบในตอนที่กาหนดมหาภูต ร, รูปเข้าจึงละเอียดขึ้น แม้กองลมในตอนที่กำหนดมหาภูตารูปนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ต่อตอนที่ได้กำหนดอุปทัยรูปจึงจะละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหน Now, ดอุปทัยรูปนั้นเล่าก็นับว่ายังหยาบอยู่ถึงตอนที่กำหนดรูปทั้งหมดจึงละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหนดรูปทั้งหมดนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ ถึงตอนที่กำหนดนามจึงละเอียดขึ้นกองลมในตอนที่กำหนดนามนั้นก็นับว่ายังหยาบอยู่ถึงตอนที่กำหนดทั้งรูปทั้งนามจึงละเอียดขึ้นแม้กองลมถึงตอนที่กำหนดทั้งรูปทั้งนามนั้นก็นับว่ายังหยาบถึงตอนที่กำหนดปัจจัยของรูปนามจึงละเอียดขึ้น แม้กองลมในตอนอย่างเห็นรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยนั้นก็นับว่ายังหยาบถึงตอนที่เป็นวิปัสนาอันมีตรลักษณ์เป็นอารมณ์จึงละเอียดขึ้นในวิปัสนาที่มีกำลังอ่อนก็นับว่ายังหยาบถึงวิปัสนาที่มีกำลังกล้าจึงจะละเอียดเข้า